จะไปบรรยายที่กรุงเทพหัวข้อที่เขานนมนม์ให้ไปบรรยายนะก็คือเผชิญความเจ็บไข้นะด้วยใจที่ปล่อยวางหัวข้อนี้ก็ได้เป็นประโยชน์พวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่วันหน้าก็ต้องเจอความป่วยไข่ในเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะ เราจะนึกถึงแต่เรื่องการรักษาเ ย, ออยียยาทางกายเนี่ยมันไม่พอนะต้องนึกถึงเรื่องของการดูแลจิตใจด้วยใจปล่อยวางเนี่ยนะมันก็บอกในตัวแล้วว่าเป็นเรื่องการทำจิตบางคนเนี่ยพอได้ยินว่าปล่อยวางก็ก็จะว่าปล่อยปะละเลยนะไม่ทำอะไระถ้าเจ็บป่วยก็ควรจะทำนะเช่นกินยาไปหาหมอ หรือว่าควบคุมอาหารต่ อ, อ ก, กําลังกายตามสมควรอันนี้เรียกเป็นการทํากิจนะแต่ว่าอย่าลืมการทําจิต ด, ด้วยนะปล่อยวางนี่เป็นเรื่องการทําจิตนะไม่ใช่ปล่อยป่านละเลยนะซึ่งเป็นเรื่องการไม่ทํากิจที่จริงการทําจิตก็ทําได้หลายอย่างนะเช่นการสวดมนตนะ์การเจริญสติการทําสมาธนะิการปล่อยวางก็ เป็นอีกอย่างหนึ่งหนะ้าที่ควรทำหลายคนสงสัยว่าจะปล่อยวางอะไรอย่างแรกที่ควรปล่อยนะก็คือความคิดว่ามันไม่แฟร์เลยนะที่ฉันป่วยมันไม่ยุติธรรมเลยปล่อยวางเสียงบ่นในใจว่ามันไม่น่าจ่าเลยนะหลายคนเวลาเจ็บป่วยมันจะมีเสียงบ่นอยู่ในใจหรือเสียงว้อยวายว่าไม่น่าเลย ทำไมต้องเป็นชั้นนะไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเนะี่ยไอความคิดหรือเสียงบนแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยกลับทำให้แย่ลงด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจิตมันจะคอยผักใสนะเมื่อไม่ยอมรับเพราะว่ามันไม่แฟร์เพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะ หลายคนเนี่ยไม่ใช่แค่ป่วยกายอย่างเดียวป่วยใจด้วยเพราะใจมันไม่ยอมรับแล้วคนเราก็มีเหตุผลมากมายนะที่จะเอามาเป็นข้ออ้างว่ามันไม่ถูกต้องฉันไม่น่าเจ็บไม่น่าป่วยซึ่งบางทีมก็มีเหตุผลเหมือนกันนะเช่นบางคนเนี่ยก็อุตส่าห์ดูแลสุขภาพมาอย่างดีออกกำลังกายเป็นประจำ จะ ก, กินอาหารนะก็เลือกกินเช่นกินแต่อาหารชีวจิตกินอาหารมคโครเบิลติกหรือว่ากินแต่อาหารที่มันปลอดสารพิษเป็นพวกออแกนิกหลายคนจะพิถีพิถันมากในในเรื่องการกินอาหารในเรื่องสุขภาพนะบางทีก็กินอาหารเสริมนะสไปรูไรน่าหรือว่าโคควิลอะไรที่เขาว่าดีช่วยทำให้ ต้านอนุมูลอิสร ะ, ะที่ถ้เป็นมะเร็งก็ไปหาซื้อมาทั้งที่ราคาแพงแถมยังไปตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่วันดีคืนนีก็พราะตัวเองเป็นมะเร็งมีบางคนนี่พอเพราะ่ตัวเองเป็นมะเร็งทั้งทั้งที่ดูแลสุขภาพดีกันแกไม่เพียงแต่ตกใจนะแต่ยังโกรธด้วยนะโกรธด้วยทำไมต้องเป็นชั้นนะ เป็นชั้นได้ยังไงชั้นเป็นมะเร็งได้ยังไงฉันไม่น่าจะเป็นมะเร็งเลยเล่ายาหรือว่าบุหรี่ก็ไม่สูบออกกาลังกายก็ทำเป็นประจาทำไมคนอื่นเนี่ยนะมันกินเล่าสูบบุหรี่มาไม่เป็นทำไมถึงต้องเป็นชั้นไม่ยุติธรรมเลยแล้วก็จะมีอาการโกรธเกลียวตลอดเวลาที่เจ็บป่วยนี่ก็นะมีอารมณ์เสียนะหงุดหงิด เจอหมอเจอพยาบาลก็ตวาดใสนะ่ที่จริงหมอพยาบาลไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ข้างในเนี่ยมันโกรธมันโมโหมันยอมรับไม่ได้ตอนป่วยก็ป่วยแบบเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจถึงเวลาตายก็ตายไม่สงบนะี่สำคัญมากเลยนะเสียงบ่นอยู่ในใจเน้วไม่ไม่ไมยุติธรรมไม่แฟร์คนเราเนี่ยนะในยามที่เจอความทุกข์เนี่ย มันยอมรับไม่ได้เนี่ยมันก็จะหามีข้ออ้างต่างๆว่ามันไม่ยุติธรรมเลยมีคนนึงไปโรคสุราเลือรังแอลกอฮอล์นี่เต็มในสายเลือดนะจนกระทั่งเลือดเนี่ยมันไม่แข็งตัวแล้วมันก็ไหลออกมาตามข้อต่อแล้วก็ตามใต้ผิวหนังจนกระทั่งเห็นเป็นรอยช้ำทั่วร่างกายจะตายอยู่แล้วก่อนจะตายนี่ก่อนที่จะหมดความรู้สึกตัวนี่แกก็จะเฝ้าแต่คร่ำครวญบ่นว่า ไม่แฟร์เลยนะไม่แฟร์เลยทุกครั้งที่ฉันกินเหล้านี่ฉันเติมน้ำให้มันเจือจางตลอดเวลาแล้วทำไมยังเป็นโรคนี้อีกนะนี่ขนาดจะไม่เลิกกินเหล้านะขนายังกินเหล้าตลอดเวลากินเหล้าเป็นประจำก็ยังบอกไม่แฟร์ที่ป่วยอ้างว่าฉันเติมน้ำให้มันเจือจางอยู่ทุกครั้งอันนี้เป็นการทำร้ายตัวเองนะแต่ถ้า เ, าเริ่มต้นจากการที่ hoy, ว่าปล่อยวางมันซะ ปล่อยวางความคิดว่าไม่แฟร์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะ บ, บน่นจะวยวายไปทำไมการบน่นการวยวายตีโพยตีพา ย, พ ย, พยมันไม่ได้ช่วยทำให้ร่างกายหายเร็วขึ้นหรือว่าทำให้อะไรดีขึ้นมีแต่ทำให้แย่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยการยอมรับมันนะยอมรับนะลืมไปซะว่ามันยุติธรรมหรือว่ายุติธรรมมันควรไม่ควรนะยอมรับ ใจก็จะสงบนะการผักสายก็จะไม่ไม่เกิดขึ้นการยอมรับทาให้ใจนี่มันสงบได้นะช่วยได้เยอะทีเดียวแล้วมันก็มีผลต่อกายด้วยมีคนหนึ่งก็พูดดีนะเป็นมะเร็งเธอเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุสามสิบเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นคับกับคนที่เป็นหนุ่มสาวเท่าไหร่เป็นมะเรงกระเพาะปัสสาวะชนิดหนึ่ง หมอยังไม่เชื่อเลยฮะยังไม่ยังคิดว่าผลตรวจเนี่ยมันผิดพลาดตอนที่เป็นนี่เธอก็ทุกมากนะเวียงวีนใส่คนรอบข้างพ่อแม่หมอพยาบาลเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ถูกต้องนะมันไม่น่าจะเลยนะที่ฉันต้องเป็นแต่ตอนหลังเธอก็เริ่มยอมรับได้นะใจเธอเริ่มสงบ ทั้งที่อาการก็ลุกลามมากขึ้นอนเธอพูดเอาไว้ว่าเนี่ยในขณะที่เราคิดว่าความจริงเนี่ยมันโหดร้ายแต่การไม่ย้อนความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเป็นเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้ความจริงบางคำมันโหดร้ายนะคือความจริงว่าเป็นมะเร็งแล้วแต่ที่มันโหดร้ายกว่า ที่มันแย่กว่าคือการไม่ยอมรับความจริงเพราะมันเป็นเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้นะคือไม่มีทางมองไปข้างหน้าเลยมันมีอแต่คร่าครวญบ่นโวยวายและที่โวยวายก็เพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่น่าเลยนะวางมันลงซะนะแล้วเราก็จะยอมรับความจริงได้ปล่อยวางประการที่สองนะคือปล่อยวางอนาคตนะอนาคตในที่นี้หมายถึงว่า การปรุงแต่งว่าเนี่ยหรือการคาดการณ์ว่าข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคาดการไปในทางร้ายนะบางทีเป็นมะเร็งแค่ระยะต้นๆ น, น, นะหนึ่งสองนะแต่ว่าใจนี่เสียแล้ะแล้วก็ร่างกายก็สุดเพราะไปสร้างภาพนะอนาคตว่าเนี่ยไปเห็นภาพตัวเองเนี่ย นนอนติดเตียงมีสายรโยนต์ระ ย, ย่างนึกถึงนึกเห็นภาพตัวเองกําลังทุกข์ทรมานเนี่ยไอ้แบบนี้มันทําให้จิตเนี่ยซุดเลยนะหรือการนึกถึงความตายเนี่ยว่าต้องตายไปทุกข์ทรมานที่จริงเนี่ยนะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าการที่ไปวิตกกังวลล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็ซ้ําเติม มีคุณป้าคนหนึ่งนะอายุเจ็ดสิบกว่าก็ไปหาหมออยู่หลายครั้งเที่ยวเข้าเที่ยวออกนี่แหละเพราะว่าหมอไม่รู้เป็นอะไรให้ยาไปก็ไม่ได้ดีขึ้นสุดท้ายวันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนพอแกดีนะ้นียแกช็อกเลยนะกลับไปบ้านเนี่ยนะแกก็ กินไม่ได้หนอนไม่หลับนะหมดเรี่ยวแรงไม่มีชีวิตชีวานึกถึงภาพที่ตัวเองจะต้องตายนะนึกถึงว่าถ้าตัวเองตายลูกจะเป็นอย่างไรนะหรือว่านึกถึงว่าวเวลาตอนที่เจ็บป่วยป่วยหนักนะใครจะมาดูแลชั้นจองเงินมาจากไหนไอ้พวกนี้หนักขดทั้งนั้นนลนะแต่เพราะแกจมอยู่กับไอ้ภาพที่ปรุงแต่งเนี่ยบอกก็อยู่ได้สิบสองวันก็ตาย หมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนบางคนเป็นมะเร็งตับเนี่ยอยู่ได้สามปีแต่ทำไมนะคุณป้าคนนี้อยู่ได้แค่สิบสองวันนะพาอแกวิตกกังวลมากนะไปนึกสร้างภาพนะที่มันเลวร้ายนะในอนาคตที่จริงเนี่ยนะเราควรจะอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความสุขให้เราเก็บเกี่ยวมีความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะชื่นชมได้ในขณะที่กายป่วยนะแต่ว่าเราก็เติมความสุขให้แก่จิตใจนะมันมีความสุขอยู่รอบตัวความสุขนะที่ได้เห็นที่ได้คุยกับหลานตัวเล็กๆความสุขที่ได้สนทนานะกับลูกหลานนะความสุขจากการที่ได้ไปเที่ยวบ้างกินอาหารที่ชอบบ้าง นะหรือว่าได้ไปทำวัดทำบุญสวดมนต์ให้จิตสงบมันมีความสุขในปัจจุบันนะที่เราสามารถใจเก็บเกี่ยวแล้วก็บำรุงใจนะซึ่งก็ช่วยทำให้กายดีขึ้นได้แต่คนส่วนใหญ่นะคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยปิดเลยนะปิดรับความสุขในปัจจุบันเพราะว่าใจเนี่ยมันไปผวงมันไปวิตกกังวลกับอนาคตนะอันนี้เกิดขึ้นนะกับคนดูแลด้วยนะ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะก็มามาบอกว่าเนี่ยสามีป่วยหนักตอนนี้เป็นมะเร็งกระเพาะแล้วอาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะเธอก็ทุกมากเลยนะนึกถึงว่าเนี่ยถ้าสามีตายเนี่ยเธอจะอยู่ยังไงและลูกล่ะใครจะส่งเสียนะพอคิดแบบนี้เข้าสุดเลยนะไม่มีเรื่องไม่มีแรงนะดูแลสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มันก็จิตใจก็ยามแย่ร่างกายก็ไม่ดีร่างกายผายผอมเขียนมาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรก็บอกเขาไปว่าก็เห็นใจนะที่เขาต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่อยากจะเตือนเขาอย่างหนึ่งนะว่าสามีเขายังไม่ตายนะสามีคุณยังอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสทอง แลโอกาสทองเนี่ยมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะเจ้าคุณมัวแต่ไปพะวงถึงอนาคตนะโอกาสทองก็จะหลุดลอยไปนี่คือช่วงเวลาที่คุณสามารถจะมีความสุขกับสามีนะหรือว่าทำสิ่งดีๆร่วมกันนะใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขนะแล้วก็มีคุณค่าทั้งกับตัวคุณเองแล้วกับาสามีพ่อ พูดอย่างงี้ไปนะเธอก็ได้คิดนะแล้วก็เขียนมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วนะกลับมากินอาหารกลับมาดูแลสุขภาพดีเพื่อได้นะมีกําลังใจนะให้กับสามีแล้วก็จะได้มีใช้เวลานี้เนี่ยมีความสุขร่วมกันทําสิ่งดีๆร่วมกันเนีย่ยหลายคนเนี่ยปล่อยให้ความสุขในปัจจุบันขณะเนี่ยมันหลุดลอยไปเพราะว่าใจมันไปคิดถึงแต่อนาคตที่มัน โหดร้ายหรือน่ากลัวซึ่งมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือทั้งถึงมันกำลังจะเกิดขึ้นนะมันก็ยิ่งจำเป็นที่จะต้องนะเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันนะให้ได้มากที่สุดด้วยการทีนะ่เอาใจเนี่ยมาอยูนะ่กับปัจจุบันขณะเั้งการปล่อยวางอนาคตก็สำคัญนะปล่อยวางอนาคตหรือภาพปรุงแต่งในทางเลวร้ายไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ไม่ต้องเตรียมตัวนะ การเตรียมตัวก็จําเป็นต้องมีน ะ, ะเช่นต้องนึกถึงว่าถ้าเกิดเราอยู่ในระยะท้ายไม่สามารถจะตัดสินใจได้ไดโดยเองอการรักษาอย่างไรที่เราจะยอมให้ทำการรักษาอย่างไรที่ไม่ยอมเช่นบางคนจะบอกว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไม่ต้องปั๊มนะถ้าหายใจไม่ค่อยได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอันนี้ก็คิดเอาไว้ล่วงหน้าก็ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ไปพะวงนะไม่ใช่ไปวิตกกับภาพ เรลร้ายที่คาดว่าวมันจะเกิดขึ้นฉันต้องวางซะวางประการต่อมานะก็คือวางความอยากอยากอะไรนะอยากหายอยากหายป่วยอยากหายเจ็บเพราะว่าความอยากนี่แหละนะม่ททำให้เกิดความทุกข์กับจิตใจหลวงปู่้าวเนี่ยท่านผู้ไปดีท่านนะบอกว่าใอ้ความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่นะ อย่าไปอยากนะเพราะถ้าอยากแล้วมันจะเป็นการเพิ่มสมุทไทยคือทำให้ทุกข์มากขึ้นท่านบอกว่าถ้าจะอยากนะให้อยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่กำลังเกิดกับร่างกายไอ้ความอยากเห็นความจริงนี่แหละนะั่นมันจะเป็นตัวเพิ่มนะเป็นองค์มครรคนะที่มันจะเป็นตัวเพิ่มความเพียร น, นะซึ่งทำให้นะกิเลสมัน หายไปนะอยากหายถ้าอยากหายนี่อันตรายนะเพราะว่ามันยิ่งทำให้ทุกทรมานมากขึ้นวางความอยากหายนะยไม่ว่าจะเป็นหายป่วยหรือหายเจ็บซึ่งในด้านนี้ก็คือการนะอยู่กับมันนะอย่างเป็นเนอยากสันติถ้าอยากหายเมื่อไหร่เนี่ยมันจิตมันจะผลักใสนะแล้วจะมีอาการทุรนทุรายงุดหงิดมากมีผู้ชายคนหนึงแกเป็นคนฉลาดนะแล้วก็เป็นคนหัวไวแต่ว่า ที่มาคู่กันคือใจร้อนใครทำอะไรไม่ถูกใจหรือทำอะไรเชื่องชา้าแกก็โกรธนะแล้วคงเป็นเพราะว่าความใจร้อนนะแล้วก็ความหงุดหงิดนะได้ไรไม่ทันใจก็มีอารมณ์ขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกนะกลายไปเป็นกลายเป็นอมมาพรึกอมมาพานะอมมาพลึกนะเดินเหินก็ไม่ค่อยได้นะ เปลี่ยไปหมดเลยหงุดหงิดมากแนละ้วคนที่เคยทําอะไรได้ได้วยตัวเองเนี่ยพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะก็จะมีความทุกข์มากไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาหมอเนี่ยมาช่วยเยียวยามีการทํำกายภาพบําบัดนะแก่ก็จะงดเยอะเมื่อไรจะหายสักทีเมื่อไรจะหายทีเมื่อไรฉันจะเดินได้จะยิ่งยิ่งคิดแบบนี้ก็ยิ่งทุกข์นะจนกระทั่งพอถึงจุดหนึงหลังจากที่ผ่านไปเป็นปีนะ กายภาพบำบัดนะทำยังไงทำงไงก็ไม่สามารถจะเดินได้เหมือนปกติหรือใช้มือนะอย่างที่เคยเคยทำแกก็เริ่มยอมรับนะแล้วก็เริ่มนะเริ่มนะไอความอยากนะก็เริ่มวางลงนะหมอมาดูแลหมอมาทำแก่ภาพบบำบัดแกก็ให้ความร่วมมือกับหมอไม่เศร้าซีไม่บ่นแล้วเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายไม่ต่อว่าหมอแล้วเลิก มันก็ทำใจยอมรับได้เพราะว่ามันเริ่มดีขึ้นนะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถที่จะเดินเหินหรือว่าใช้มือนะนะเกือบจะเป็นปกติเลยและที่เปลี่ยนไปอย่างคือนิสัยนะนิสัยก็เปลี่ยนไปด้วยจากเดิมที่เป็นคนใจร้อนจู้จี้ขี้บ่นนะก็ใจเย็นนะอดทนได้นั่นนี่เลยว่าเป็นเพราะว่านะเขาเนี่ยวางความอยาก อยากหายอยากจะให้กลับมาเดินได้ยิ่งอยากมันยิ่งช้าเนี่ยแต่พอวางความอยากเนี่ยอาการฟื้นฟูก็ดีขึ้นจะเรียกว่าเป็นการปล่อยวางความคาดหวังก็ได้แต่นอกจากความคาดหวังของตัวเองแล้วนะมันยังมีความคาดหวังอีกอย่างหนึ่งนะคือความคาดหวังของคนอื่นหลายคนมีเพื่อนเยอะนะพอป่วยเนี่ยเพื่อนก็จะมาก็จะมาเยี่ยมแล้วก็จะมาพูดให้กำลังใจนะมี ตอนที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษนะวัดอมารวดีเนี่ยก็มีพระฝรังรูปหนึ่งป่วยนะป่วยเนี่รักษาอย่างไงก็ไม่หายนะไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ น, นะจะขัฝังเข็มจะให้สมุนไพรยังไงก็ไม่ค่อยดีขึ้นเพื่อนเนี่ยนะก็มาเยี่ยมเพราะว่าเป็นคนที่เพื่อนเยอะแล้วก็มีน้ำใจ เพื่อนไม่เป็นเพื่อนพระเพื่อนโยมนะก็มาพูดให้กําลังใจแล้วหลายคนก็พูดว่าหายเร็วๆนะหายเร็วๆนะทําใจดีๆเอาไว้นะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าท่านก็ไม่ดีขึ้นเลยนะเราก็มีแต่แย่ลนจนกระทั่งเหมือนกับว่าคงตายนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อสุเมโทนะท่านเป็นอาจารย์ของพระรูปนี้แล้วก็ตอนนั้นเป็นเจ้าวาดวัดอมรวดีก็มาเยี่ยมอยู่คนละบัดกัน แทนที่ท่านจะพูดให้กังวลใจท่านกำลักับบอกว่าเนี่ยท่านกิติสาโรนะจะตายก็ตายได้นะอย่าพยายามหายอย่าพยายามอยากหายเนะี่ยพระรูปนั้นนี่ร้องไห้เลยนะร้องไห้ด้วยความซาบซึง้งพอรู้สึกว่าเหมือนกับยกภูเขาจากอ ก, อกแล้วพรกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีวันดีคืนจนกระทั่งหายนะเอาทุกคนนี่ก็มีชีวิตอยู่เลย อาการของพระลูนิยะหลวงพ่อรู้สึกว่าต้องแบกรับความคาดหวังของเพื่อ น, นเพื่อนอยากจะให้เราหายแต่เราก็ไม่หายสักทีเราพยายามนพยายามต่อสู้กับความเจ็บป่วยแต่มันก็ไม่หายพอไม่หายนี่ก็หงุดหงิดนะพอไม่ดีขึ้นก็รู้สึกกังวลมันก็ทําให้ร่างกายแย่งหลบแย่ลงแต่พออาจารย์สุเมโธพูดแบบนี้เนี่ยแกเลยปล่อยวางเลยนะ ความคาดหวังของเพื่อนนะฉันไม่สนใจแล้วครูบาอาจารย์ย่ออนุญาตให้ตายแล้วนะไม่หายก็ไม่เป็นไรนะให้ฉันพร้อมตายแล้วพอพร้อมตายนะโอ้มันดีขึ้นเลยนะใจมันดีขึ้นเลยอันนี้เราว่าการปล่อยวางความคาดหวังของคนอื่นก็สำคัญนะบางทีคนไปเยี่ยมเนี่ยก็เป็นไปสร้างแรงกดดันให้กับผู้ป่วยนะนอกจากพูดว่าเนี่ยหายไวๆนะ ันงทีกใช้คําว่าสู้ๆนะสู้ๆไอ้ควาว่าสู้ๆเนี่ยคนพูดไม่รู้หรอกนะมันไปสร้างความคาดหวังไปสร้างแรงกดดันให้กับคนป่วยคนป่วยบอกหลายคนบอกว่าไม่หลายคนจะพูดว่าฉันไม่ชอบเลยนะคําว่าสู้ๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นความูสึว่าเขาการที่จะพยายามทําใจให้เข้มแข็งเนี่ยมันมันเหนื่อยมากมันใช้พลังมากนะ แล้วถ้าตัวเองเนี่ยจะอ่อนแอเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องผิดนะเพราะว่าเพื่อนก็จะผิดหวังไปด้วยก็เลยต้องพยายามรวบรวมกาลังนะให้เข้มแข็งเอาไว้ซึ่งมันทำให้นะรู้สึกแย่ลงเพราะว่าบางทีคนเรามันก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองนะถึงเวลาอ่อนแอก็อยากจะเป็นอ่ตัวของตัวเองบ้างแต่พอเพื่อนบอกสู้ๆเนี่ยก็เลยต้องพยายามนะ สู้ให้ได้มันเหนื่อยมันเหนื่อยล้ามันเป็นภาวะที่เหมือนกับถูกกดดันความเจ็บปวดก็ยอะอยู่แล้วยังต้องเจอแรงกดดันของเพื่อนที่หวังดีนะาการปล่อยวางความคาดหวังของตัวเองก็ดีนะของคนอื่นก็สำคัญนะปล่อยวางอีกอย่างนะสำคัญมากคือการปล่อยวางความเจ็บปวดอันนี้ไม่เหมือนกับเมื่อกี้พูดนะเมื่อกี้บอกว่าปล่อยวางความอยากให้มันหาย ปล่อยวางความเจ็บปวดหรือปล่อยวางทุกเขเวทนาคนที่เจ็บป่วยแล้วก็เจ็บปวดนี่นะเขาไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าเขากําลังยึดมันเอาไว้เขากาลังยึดมันเอาไว้ความเจ็บปวดเป็นของที่เราไม่ชอบแต่เราก็ยึดอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยดูเหมือนผักใส่นะแต่ลึกๆเนี่ยมันมีการยึดเอาไว้แต่ถ้าเราลองวางนะความเจ็บปวดหรือลองลืมปวดตัวบ้างมันจะดีขึ้น คุณหมอมราเนี่ยเคยไปเยี่ยมคนไข้คนนึ่งเป็นมะเร็งนะแล้วมันก็ลามเปน็นกระดูกแล้วคนไข้คนนี้เป็นอาจารย์แพทย์อายุกค่สี่สิบกว่าแล้วก็ปวดมากตอนนั้นเนี่ยยาโมฟีนก็เอาไม่อยู่นะเพราะว่ามันลามไปเป็นระยะท้ายแล้วหมอให้โมฟีนทุกสามชั่วโมงแกก็ไม่ไหวอยากจะขออีกหมอก็ให้ไม่ได้เพราะว่าให้ถ้าให้มากกว่านี้กามมันจะมันจะเกิดโทษมันจะไปกดการหายใจ คุณหมอบรรยายเหตุการณของคนไข้ทุกทรมานนะเรียกว่าตัวซีดเนี่ยเหงื่อเนี่ยเม็ดโตๆออกมานอนไม่ได้ต้องนั่งนั่งก็นั่งเงากรงเงขิงด้วยความปวดคุณหมอก็เลยถามว่าเคยภาวนาไหมเคยทําสมาธิไหมบอกไม่เคยนะคุณหมอก็เลยแนะนนะํานำการทําสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะคนไข้ก็ทําตามนะ ทีแกคุณหมอมาคิดว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยปวดแบบนี้คงทําได้ไม่เกินห้านาทีอะบอกว่าห้าทีผ่านไปแกก็ยังนั่งสมาธิอยู่สิบนาทีผ่านไปก็ยังทําสมาธิอยู่ผ่านไปสิบห้านาทียี่สิบนาทีก็ยังทําอยู่แล้วก็ยิ่งทํายิ่งดีขึ้นจนทั้งสี่ิห้านาทีหรือห้าสิบนาทีแกจึงค่อยอ่าลืมตาแล้วก็หน้าตาก็ดีขึ้นแจ่มใสอ่ปาป่าไปสีชมพูเลยนะ ตัวที่เคยซิดมันก็นะมันก็เหมือนกับมีเลือดลมดีขึ้นนะความปวดก็ทุเลาไปเยอะเลยไม่ได้กินยานะแต่ว่าความปวดนี่หายไปเยอะอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะลืมปวดนะเอาใจมาจดจ่อยที่ที่ลมหายใจเนี่ยจิตมันก็วางจากความเจ็บความปวดที่เกิดขึ้นที่กระดูกแล้วก็ที่ตามเนื้อตัว เหมือนกัเวลาเราถูกยุงกัดแต่เราไม่รู้สึกอะ่ะไม่ใช่เพราะร่างกายไม่มีความคันไม่มีความเจ็บนะมีแต่ตอนนั้นใจมันไม่ได้จดจ่ออยู่ที่้ตรงที่แขนหรือขาที่เจ็บนะตอนนั้นเรียกว่าลืมปวดลืมคันนะเพราะกาลังจดจ่อ ก, กับบางสิ่งบางอย่างอยู่สมาธิเนี่ยนะมันช่วยทำให้จิตเนี่ยวางความเจ็บความปวดลงได้กายมันปวดแต่จิตไม่ได้ทุกข์ นอกจากสมาธิอีกอย่างนึงที่ช่วยคือสตินะสตินี่มันมีประโยชน์คือมันเป็นเหมือนกระตาไหนที่ช่วยทําให้เรามาเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะอย่างที่หลวงพ่ออมเขียนนัผู้ว่านี่เห็นอย่าเข้าไปเป็นหลวงพ่ออมเขียนนั้นเคยปวดนะเพราะว่าเป็นมะเร็งนะปีสี่ข้าที่เป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยแล้วก็มันมีหมอพบว่ามันมีมันมีก้อนเลยตรงแถวตับประกดที่ท้องทั้งก็ กดที่ท้องเสรก็ก็ถามท่านว่าปวดไหมท่านบอกปวดเต็มร้อยเลยเปวดเกินร้อยเลยซ้าท่า น, นบอกหมอก็เลยถามแล้วทำไมไม่ไม่ร้องท่านบอกว่าจะร้องทำไมขาดทุนก็มันปวดอยู่แล้วเนี่ยให้การร้องก็เป็นการซ้ำเติมแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยความปวดเนี่ยนะมันเป็นอาการเราไว้ดูไม่ใช่เข้าไปเป็นอันที่ท่านพูดเนี่ยคือท่านใช้สตินะสติเนี่ยมันทำให้เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวด อีกคราวหนี่งท่านก็บอกว่าเนี่ยนะความปวดเนี่ยมันไม่ได้ลงโทษเรานะแต่การเป็นผู้ปวดต่างหากที่มาลงโทษเรานะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีความปวดนะมันไม่ใช่แค่เห็นความปวดนะันเป็นผู้ปวดเลยอันนี้เรียกว่าเข้าไปยึดแล้วก็ไปยึดทุกขเวทนาต้องวางมาลงนะสติมันช่วยนะเพราะว่าสติมันทำให้รู้ตัวไม่รู้ตัวหรือลหลงเมื่อไหร่มันก็เข้าไปยึดท้านั่งที่ ทุกเวทนามันไม่ได้น่ายึดเลยแต่เพราะความหลงเนี่ยมันก็เลยโง่พอโง่แล้วมันก็เลยไปยึดแล้วก็เลยใจก็ทุกข์นะแต่พอมีสติปุ๊บเนี่ยนะรู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊มันวางเลยนั้นกันวางทุกเวทนาเนี่นะมันสําคัญมากนะต้องวางให้เป็นนะส่วนใหญ่เข้าไปเป็นมากกว่าแล้วก็วางอันสุดท้ายนะปล่อยวางสุดท้ายนะคือปล่อยวางร่างกายนี้ปล่อยวางร่างกายก็คือไม่ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ก็มีเรื่องในพระไตรปิฎกนะอุบาสกคนหนึ่งชื่อนักกูลบิดาเนี่ยป่วยหนักพระุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมแล้วก็พูดกับท่านว่าเนี่ยนะแม้กายป่วยย่าให้ใจป่วยด้วยนะแม้กายถูกโรครุมเร้านะแต่ย่าให้ใจถูกโกรคหลุมเร้าด้วยนักกูลมีตาฟังแล้วก็เรียกว่ามีความปิติมากเนะี่ยสีหน้าผ่องใสเลยพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปเนี่ย พระสรวลบุตมาเยี่ยมแล้วคุณมิดาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ถามว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเนี่ยทําได้อย่างไรพระสรวลบุตก็อธิบายว่าเนี่ยกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยได้นะเมื่อมีเมื่อระลึกเมื่อเมื่อได้ตระหนักว่านะว่ารูปนี้ไม่ใช่เรานไม่ใช่ของเราเมื่อใดก็ตามที่รูปมันแปรปรวนนะ ก็จะไม่มีความเจ็บไม่มีความไม่มีความขับแค้นใจนะความโศกความร่าไรลําพันธ์ความไม่สบายใจนะมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปยึดว่ารูปเป็นเราเป็นของเรานะพอมันป่วยพอมันแปรปวนเนี่ยอย่าว่าเจ็บป่วยเลยเพียงแค่มันแก่ชาราเนี่ยก็ทุกข์ละนะมีความโศกความร่ําไรลําพันธ์นะความขับแค้นใจกายป่วยนะใจไม่ป่วยได้เมื่อ ไม่ยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรานะมีคราวหนึ่งนะอนาถปิทิกับป่วยหนักนะใกล้จะตายแล้วพระสัรุดไปเยี่ยมแล้วก็ได้พูดว่าเนี่ยความตายเนี่ยเป็นของแน่นอนไม่มีใครที่จะหนีพ้นแต่ให้ท่านเนี่ยลึกว่าเนี่ยให้ท่านคลายความยึดมั่นนะนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ธรรมารมอาทิแรกให้ให้ไม่ยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนนะพระไตรปิฎกให้นาฏปิฎิกาเนี่ยไม่ยึดมั่นนะในตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งวิญญาณที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็แนะให้ไม่ยึดมั่นนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมรวมทั้งวิญญาณที่อาศัย รูปรถกินเสียงสัมผัสธรรมารมภสสรพสสบุตรนะก็ได้แนะนำไปเรื่อยๆเป็นลำดับเนี่ยอาจารย์ท่าบิกาฟังแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะคลายความปวดคลายทุกขเวทนาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะก็เพราะว่าเนี่ยเมื่อไม่ยึดมั่นนะว่ารูปเป็นเราเป็นของเราเนี่ยรูปมันจะป่วยรูปมันจะเจ็บนะมันก็เป็นเรื่องของมัน ที่จริงพระสารตรแนะนำให้ละนะแม้กระทั่งกายและใจไม่ยึดมั่นคือไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะพอไม่ยึดมั่นปุ๊บเนี่ยนะจิตใจก็สบายโปรดปลอดโปร่งอันนี้เป็นเป็นธรรมะขั้นสูงนะซึ่งจะปล่อยวางได้ก็ต้องอาศัยปัญญาอานาทิปิทิกะท่านก็เป็นโสดาบันนะเพะะื่ะนท่านก็เข้าใจได้ง่าย แต่ถึงแม้เราเป็นปุถุชนเนี่ยก็ก็ควรพยายามนะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้นะอาศัยสตินี่แหละนะเป็นตัวช่วยนะให้เราเห็นความจริงของกายและใจเพราะสติมันเป็นตาในอยู่แล้วถ้าเราหมันมองมองตนใช้สติดูกายดูใจเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจว่ากายและใจเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะกายและใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ปัญญาไม่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้สติดูกายดูใจอยู่หนึ่งๆอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางขั้นสูงนะแต่ถึงแม้จะปล่อยวางร่างกายนี้ไม่ได้เนยะแต่ว่าปล่อยวางไอ้สี่ข้อข้างน ấy, นะ้นเนี่ยพวกเราน่าจะทำได้นะปล่อยวางนะเสียงบนข้างในนะปล่อยวางความคิดว่ามันไม่แฟ้ไม่ยุติธรรมปล่อยวางอนาคตปรุงแต่งที่ที่ปรุงแต่งไปในทางเลวร้ายนะปล่อยวางความอยากหายอยาก นะอยากหายจากทุกขเวทนานะปล่อยวางความคาดหวังนะของคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ทำได้รวมทั้งใช้สติเนี่ยปล่อยวางทุกขเวทนาด้วยอ่ะก็ผู้สันสันทอนนี้นะอ่ะได้เวลากราบพพร้อมกัน